ใครที่เดินผ่านเดินข้ามสะพานนะที่มันทอดนะข้ามสะเนี่ยนะเราจะสังเกตนะมีเห็นมีหมาอยู่2ตัวนะเลืออยู่ที่นั่นเป็นประจำเลยนะชื่อหมูมู่กับเจ้าขาวหรือบางทีก็เรียกว่าเจ้าเตียนะ้ยเป็นเกลือกันเช้าๆนะหรือว่าแดดร่มๆตกหรือว่าเวลาอ่าบ่ายๆนะที่ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหรนะ่เนี่ย เราก็จะมานอนนะนอนทอดอารมณ์นะชมวิวทูทัศดูแลเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสุขมากถ้าได้กินอาหารนะพอกินอาหารเราก็จะมานอนเล่นทั้งวันเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถวๆนั้นละ่ะบนสะพานนะเหมือนกับว่าชีวิตนี้ก็พอใจแล้วนะไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้ฉันก็มีความสุขลนะ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 ทำให้เราไม่มีความสุขทั้งนั่งที่เราก็มีเยอะแยะไปหมดเด็กเดี๋ยววันเดี๋ยวนี้ก็มีความสุขได้ยากนะตอนเล็กๆ ก, ก็อยากได้ของเล่นพอได้ของเล่นมันแล้วนะก็อยากได้อีกนะไอ้ที่มีก็ทนะิ้งเบื่อจากเลโก้นะมันก็ต่อมาเป็นเกมออนไลน์มีเครื่องเล่นเกมออนไลน์เพลย์สเตชันแล้วก็ยังไม่มีความสุขก็ยังไม่พอใจมีเครื่องดนตรี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 แม้สุขที่มีก็ประมาทไม่ได้เพราะนั้นก็เตรียมใจเพื่อจะรับกับความเปลี่ยนแปลงและถึงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปก็ยังสุดอยู่ได้เอาละค่ำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้กรับพระ